ท่านรื่นเริงบันเทิงในข้อวัดปฏิบัติรื่นเรองบันเทิงในมรรคผลนิพพานที่ประจักษ์ใจอยูแ่แล้วก็มีมากที่กำลังทำความกยิ่มยิ้มย่องมุงมันต่อธรรมคือแดนพ้นทุกข์นั้นก็มีจำนวนมากข้อวัดปฏิบัติของท่าน ตึงกลมกลืนไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนหมุนอยู่กับแดนแห่งมรรคผลนิพพานทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีเวลาลดละความเคลื่อนไหวไปมาทางใดมีอัตมีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรม ติดตามรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอผลจึงปรากฏอยู่เรื่อยๆไม่ขาดวักขาดตอนว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สาเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระราษฎ ตัดกิเลสออกจา ก, กจิตใจไปโดยลำดับลำดาผู้ที่กำลังก้าวเดินก็เบิกกว้างออกเพื่อมรักเพื่อผลโดยตลอดด้วยความภาคเูียนไม่ลดละปล่อยวางข้อวัดปฏิบัติใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มีความเทดิดทูนในข้อวัดปฏิบัติ นั้นๆด้วยการปฏิบัติอย่างเต็มอกเต็มใจเพื่อก้าวเดินสู่จุดหมายปลายทางไม่มีลุดละกิริยามารยาทและจิตใจของท่านจึงสง่างามไปด้วยมักด้วยผลตนเองก็ตำหนิตนเอ็มไม่ได้เพราะความบกพร่องต่างๆที่ไม่ ไม่ตั้งใจอย่างนี้ไม่มีหากจะตำหนิก็ตำหนิเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงโดยลำดับเท่านั้นในครั้งพุทธกาลจํานวนมากต่อมากท่านตําเนินกันอย่างนั้นถือมักถือผลเป็นรัพย์ ส, สมบัติอันล้นค่าในวงพระศาสนาไม่ได้ถือ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 ภายในจิตใจลืมวันลืมคืนไปได้โดยไม่สงสัยเพราะจิตมีความสงบร่มเย็นจากกระแสของโลกที่มันพัดผันโลกรุวยมาทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกกระถาหาความสงบร่มเย็นภายในจิตใจและที่โปร่งวางไม่ได้เลยแต่พอได้มาบเาเพ็ญได้ประสบพบเห็นเข้าไปโดยลำดับมีกระแสแห่งธรรมในเบื้องต้น ที่เป็นสมถะธรรมคือทรรมได้แก่ความสงบภายในจิตใจจากอารมณ์ทั้งหลายเพียงเท่านั้นใจก็มีความรื่นเริมบันถึงมีหลักมีเกณฑ์มีที่อยู่ที่อาศัยแต่ว่าอาหารวานข้าวก็มีสมบูรณ์ตามขั้นแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นความอยู่ความเป็นไป ทั้งหลายก็ไม่หิวไม่หวยไปตามกระแสของโลกที่กิเลสมันฉุดมันลากออกไปเช่นฉุดลากออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปจากใจเข้าสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่ตางๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อไฟอันกิเลสมัน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 ต่างๆมีความสงบร่มเย็นอยู่อารมณ์แห่งธรรมคือความงคือสมถธรรมเพียงเท่านี้เราก็เห็นเป็นความแปลกจากโลกอยู่แล้วเพราะจิตใจของเราก็เป็นโลกดวงหนึ่งคนหนึ่งเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปที่จะต้องเลยหมุนเป็นเกลียวไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสมันพัดผันแต่แล้วก็ ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยสมถะธรรมเป็นความอยู่เย็นเป็นสุขวันคืนเดือนปีลืมไปเพราะจิตไม่ยุ่งไม่เหงกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดก็ตามในโลกนี้จิตไม่ไปยุ่งทั้งนั้นเป็นจิตที่อิ่มตัวอยู่กับความสงบเย็นใจแม้จะยังละไม่ได้ก็ไม่หุ่นวายไม่สายแสไม่ดิ้นรนไม่ถูก ผักดันเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัย <c oughs> มีเพียงสมถะธรรมเท่านั้นสมณะของเราก็เรียกว่ามีสมบัติพอครองตัวได้เพื่อจะก้าวขึ้นสู่สมบัติอันใหญ่หลวงและเลิเล่อเรอในวาระต่อไปด้วยการปฏิบัติของตนของตน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 พระองค์ทรงไว้แล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ไม่มีธรรมส่วนใดเนี่ยใดที่พระองค์จะไม่ได้ผ่านและไม่ได้ทรงไว้แล้วแล้วมาสอนโลกแบบเปล่าๆอย่างนั้นไม่มีทรงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำทอดออกมาจากพระไทยสั่งสอนโดยไม่มีข้อปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปตามหลักความจริงทั้งภายนอกภายใน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 ด้วยความเป็นพระเป็นเนนเป็นนักปฏิบัติพยายามตั้งหนา้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ <c oughs> เอาจนให้เอาจนได้สมาธิความพุ่งซ่านนั้นเป็นข้าศึกกับความสงบจงพยายามตัดความพุ่งซ่านเข้าสู่จุดเดียวเช่นผู้ฝึกหัดอบรมสมาธิในเบื้องตน้นก็อย่าได้ปล่อยอย่าได้วางคำบริกรรม ไปไหนให้ติดแนบกับใจอยู่ตลอดเวลาฆ่าสุ่ทั้งหลายจะไม่มีช่องมีทางออกได้เพราะจิตไม่ว่างจากธรรมถ้าว่างจากธรรมเมื่อไรกิเลสก็อัดแน่นขึ้นมาภายใ น, ในใจิตใจเพราะกิเลสมีอยู่แล้วภายในใจของเราทุกๆุูทุกๆหนัมจึงต้องใช้อุบายวิธีต่างๆจะพาะอย่างยิ่งคือคําบริกรรมสำหรับ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 โดยความเป็นมรรคระงับดับความพุ่งซ่านลำคาญก็เท่ากับระงับทุกข์ไปในตัวเพราะความพุ่งซ่านเป็นเครื่องสร้างหรือเป็นธรรมชาติที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเมื่อใจของเรามีความสงบด้วยอำนาจแห่งการบีบบังคับกิเลสแม้มันคิดออกในช่องเดียวกันกับคำบริกรรมโดย หรือคำบริกรรมเป็นสำคัญแล้วจิตของเรายังไงก็ไม่พ้นที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบจนได้แต่อุบายที่จะทำใจให้เป็นความสงบนี้เกี่ยวกับเบื้องาธาตุขันอีกด้วยสำหรับที่เคยได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นบางทีตั้งไม่อยู่เพราะาธาตุขันมีกำลังมาก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 ที่มันจะเสริมเช่นอาหารการบริโภคฉันไปมากมันเป็นได้จริงๆไม่สงสัยผมเคยดำเนินมาแล้วยิงได้นำมาเป็นเครื่องยืนยันท่านผู้ฟังทั้งหลาย <c oughs> จําต้องได้ลด <c oughs> สิ่งนอนนี้ลงเพื่อสติจะตั้งได้พอสติตั้งได้แล้วจิตจะสงบได้เมื่อจิตสงบได้แล้วนั่นลหละเป็นต้นทุน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 แล้วความสงบนั้นจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีนำสติปัญญานี้ออกพินิจพิจารณาสกุลากายท่านแสดงไว้เป็นงานอันสำคัญคือขึ้นเกศารลมานขาทันตาตะจแปลว่าผมขนฟันหนังหนังหุ้มห่อโดยรอบไปหมดทั้งร่างกาย พอถึงหนังแล้วก็หยุดเนื่องจากเวลามีน้อยให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปพิใครียพินิจพิจารณาต่อไปในการภายหลังท่านจึงสอนไว้เพียงเท่านี้ซึ่งก็ครอบหมดทั้งร่างนี้แล้วเพราะหนังเป็นประโยคใหญ่โตหุ้มห่อไปได้หมดหลอกไปได้หมดทั่วสารพางร่างกายไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังว่าสูงว่าต่า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 หนักเข้าไปดึกเข้าไปกว่านั้นก็เป็นสิ่งโสกโปกโสโครกครับแต่ผมก็เกิดขึ้นมาจากสถานที่โสกโปกโสโครกตั้งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นขนแล็บฟันเหมือนกันหมดมีตั้งแต่สิ่งที่อยู่คุกเข้าอยู่กับสิ่งที่โสกโปกโสห ม, มทั้งนั้นแล้วแยกเข้าไปจากหนังนี้แล้วเข้าไปถึงร่างกายทุกส่วนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อหนังไม่มีหุ้มห่ออยู่แล้วเป็นอย่างไร มนุษย์เราเรียกกันได้ไหมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นจัดเป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราสั่นกันได้ลงคอไหมว่าเป็นของสวยของงามของกิรลังถาวรของน่ารักใคร่ชอบใจเสืกสั่นกันไม่ได้ลงคอเลยเพราะหนังออกแล้วไล่ฆ่าไปในทันทีทันใดแล้วยิ่งพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นถึงอาการสามสองเลยแล้วก็เต็มไปด้วย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 นี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาเพียงแยกแยะเพียงเท่านี้ผู้ฟังทั้งหลายก็ควรจะเอาไปพินิตรพิจารณาแยกแยะตนเองออกไปด้วยความละเอียดละ อ, อ่อันเป็นอัตยาศัยของตนแต่ละรายละลายให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญผิดที่มันเสียดแทงจิตใจของเรานี้เราจะได้เหมือนกับถอดเสี่ยนถอดน้ําออก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 เกิดวความสฉลดสังเวชน้ำตาร่วงโดยไม่คาดไม่ฝันนั่นแหละนั่นท่านเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาน้ำตาล่วงเพราะอะไรเกิดความสฉลดสังเวชตัวเองซึ่งเคยยืดเคยถือมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเฉพาะในภพนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราทั้งโลกดินแดนติดกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นว่ารายใดจะไม่ติดนอกจากผู้ชุ่นทิเลสแล้วเท่านั้นเติดกันหมด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 วิญญาณการรับทราบสิ่งทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าวิญญาณรับทรายบยบยบแยบแยบยบแล้วก็ดับไปดับไปการพริจารณาสิ่งเหล่านี้ลงในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พิจารณาเบื้องต้นนั้นมีอรพระอสุปังเป็นหลักใหญ่แล้วก็มีอนิจจังทุกขังอนาตาเสริมกันไปในในตัวของผู้พิจารณานั่นแหละ หากรู้เองสําหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายหากเกือบแฝงไปนั่นแหละระหว่างอนิจังทุกขังนาตากับอรสุภอสุพังไม่ใช่จะเป็นเฉพาะอรสุภอสุพังอย่างเดียวยังมีไตรลักษณ์แทรกเข้าไปด้วยพอถึงนามมาทําแล้วมักจะเป็นไตร ล, ลักษณ์ล้วนร้วนเพราร่างกายไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็พิจารณาให้ชัดเจนลงไปอย่างเดียวกันนี้ จิตย่อมจะปล่อยวางยิบจิตย่อมจะรู้เท่าทันในอาการทั้งสีนี่คืออาการแหน่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่รู้จะว่าเป็นเราเป็นของเราหมดทั้งร่างกายนี่แหละตายแล้วก็ยังว่าเราตายอีกดูสินะนี้จิตเท่านั้นเข้าไปรับผิดชอบในร่างกายเหล่านี้จิเป็นเวทนาสัญญาสังขาร ย, ยญญานืนยันก็คือจิตนี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบสร้างไปในที่ต่างๆของร่างกาย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 เท่าเท่าไรจิตยิ่งมีความสะอาดผ่องใสจิจยิ่งยิ่งมีความละเอียดละออคล่องตัวไปโดยลำดับผิดกับอยู่ในวงสมาธิเป็นไหนๆเนี่ยจนกระทั่งก้าวเข้าสู่จุดรุติในวาระสุดท้ายนั่นเป็นธรรมะอันศอันสมบูรณ์แบบแล้วเต็มที่อยู่ในวงแห่ง าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าว่าดีพระสาวกก็ดีท่านทรงชมธรรมเหล่านี้โดยลําดับลําดาจนถึงนิมุติุดท้นกระจางแจ้งภายในพระไทยแล้วยิ่งแนะนำธรรมนี้มาสั่งสอนโลกเรื่อยมาธรรมไม่มีความคําว่าเปลี่ยนแปลงจึงเรียวกว่าสวดคาถธรรมชอบมาโดยลําดับลําดาขอให้ปฏิบัติตามนี้เถิด อ, อย่างไรก็ไม่พ้นที่จะ ถึงจุดหมายปลายทางตามที่ทรงสอนไว้พวกเราทั้งหลายการพื้ปฏิบัติยานอนใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่เลอดเลยยิ่งกว่าทรรมที่กล่าวมาเหล่านี้นี่แหละคือจะท่านเรียกว่าตลาดแห่งมรุณนิพพานอยู่ในวงอริยสัจคือกายกับใจของเรานี่แหละให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องแม่นยำอย่าเห็นสิ่งใดเป็น มีเลือดเลยยิ่งกว่านี้ไม่มีในโลกกระธาตุนี้มีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นที่นอนใจตายใจนอกจากจะไปให้มันพัดผันนอนแหละเป็นจุนนิจุนไปเท่านั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วไม่ว่าครั้งนั้นครั้งนี้สัจธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นอากาลิกไม่เคยเดียวเคยแหลมในครั้งใดคั้งใดมา ทกุก็มีอยู่ในใจสมุทัยมีอยู่ในใจมกักบําเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจต้องมีเพราะสวกาลธรรมเหมือนกันนี่นรอดคำดับทุกข์ดับที่ใจสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายสิ้นที่ใจสิ้นกิเลสทั้งหลายสิ้นที่ใจเป็นสวกาลรธรรมด้วยกันหมดไม่มีอะไรย่อหย่อนต่างกันเลยจกงไม่เป็นที่น่าวิตกวิจารณ์ในการประพฤติปฏิบัติตัวของเราเพื่อมักผลนี้ผ่าน <c oughs>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 ใจที่หิวที่หวยดก็เพราะกิเลสเข้าแทรกเข้าสิงกิเลสเข้าเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นมีมากเท่าไรก็เกิดความหิวโหวยมากไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่ ค, คนฉลาดมีความหิวความหงุดความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเหมือนกันหมดส่วนร่างกายนั้นอาจแตกต่างกันบ้างเึ่งทำารทาการทํางานมีหนักมีเบาต่างกัน ส่วนใจนี้แบกกองทุกข์เหมือนๆกันหมดไม่ได้ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดฐานะใดก็ตามแบกกองทุกข์ซึ่งนิเลสสร้างขึ้นมานี้แบบเหมือนกันหมดเพราะีิเลศมันจะผลิดออกมาให้เกิดความโลภนั่นความโลภเป็นความหิวแล้ว อ, อยากได้แล้วมีความโลภมากเท่าไหร่ความ อยากความเทยทยานความทุกข์ยิ่งมากยิ่งมากขึ้นเป็นลําดับมีได้ในหัวใจของคนทุกชั้นธรรมชาติอันนี้ไม่เว้นความโกรธนี่ก็เหมือนกันมีได้ด้วยกันไม่มีเว้นสถานะสูงต่ําเพราะนั่นเป็นยังสมมุติลมปากว่ากันไปเฉยๆหลักธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรโลกต้องเป็นโลกกิเลสต้องเป็นกิเลสว่างั้นเลย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 ท่านจึงสอนให้ละให้วางสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นไฟอยู่กับหัวใจใดก็เป็นไฟทั้งนั้นไม่ว่าชาติชั้นวันณะใดแม้แต่สัตว์บริสุทธิเขาก็มีเหมือนกันเพราะกิเรศอยู่กับใจด้วยกันไม่เลือกชาติชั้นวันณนะไม่เลือกชาติใดวันละใดอืมเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนมันออกเสียจากหัวใจแล้วจะหาความสุขไม่เจอตรงที่ไหนปรองไม่ได้มีแต่กองทุกข มีแต่กองทุกไปพบใดชาติใดก็มีแต่กิเลสไปเป็นผู้บงการทัตุสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชาลีดไถหัวใจนี้ตลอดหาความสุขที่ไหนมีเพราะอิสระไม่มีภายในกิจใจเมื่อได้ทำละสักฟอกกำจับสิ่งที่เป็นภัยนี้ออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ่งเชิงแล้วอยู่ไหนสบายหมดนี้ไม่ขึ้นกับอะไรใครจะชมก็ตามใครจะ ตำหนิก็ตามนั่นเป็นเพียงลมปากเพียงเท่านั้นรักธรรมชาติแท้พอตัวอยู่ตลอดเวลาอากาศิีขูแล้วไม่จําต้องดีดดิ้นหาอะไรอีกแล้วจริงเรียกว่าพ อ, พอความไม่พอก็คือเรื่องของกิเลสนั่นแหละมีมากมีท้อในมีน้อยทําให้หิวให้โหยให้กระหายอยู่นั่นแหละมีมากมีน้อยสร้างกองทุกข์แสนอยู่ตลอดเวลาั้หมดแต่ จ, จริงๆแล้วอยู่ไหนสบายหมด ตายก็ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใ ย, ยในธาตุในขันเพ่อพิจารณารอบครอบหมดแล้วธาตุขันนี่คืออะไรแน่ดินน้ําลมไฟมข่าววารูปนี่ก็คือดินน้ําลมไฟอยู่ในตัวของเราเองมันก็คือดินน้ําลมไฟสลายลงไปมันก็คือดินน้ําลมไฟสลายตัวของมันมันไม่รับทราบไม่มีความหมายอะไรกับตัวของเราและไม่มีความหมายอะไรกับตัวมันเองคิดแล้วหัก ดิ้นโดนกัดแกว่งไปกลับมันเพราะความลุ่งหลงนี่เท่านั้นจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่ได้มีอะไรในขันแม้ขันจะเจ็บปวดแสบร้อนนั้นนี้เขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาเดือดร้อนผู้ที่รู้ว่าทุกข์ว่าเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับความทุกข์ความทรมานก็คือใจผู้ลุ่งหลงนี่แหละไม่ใช่ผู้อื่นใดทั้งนั้นจึงต้องพิจารณาใจนี้ให้รอบครอบเมื่อพิจารณาใจรอบแล้วรอบหมด ไม่มีอะไรเข้ามาัดยุแย่ก่อกวนได้อีกเลยตั้งแต่ขณะที่ยิ่เล็ดได้ขาดสะ บ, บั้นลงไปจากใจนับตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่ต้องซ้ำหนเดียวเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันก็ดีเมื่อได้จัดสรู้ธรรมและบรรลู้ธรรมผึงเดียวเท่านั้นพอแล้วตลอดอนันตการไม่มีคําว่าซ้ำซ้ำสักสั ก, กเหมือนสิ่งอื่นใดนี่เมื่อถึงขั้นพอตัวพออย่างนั้นเดีย๋ยวเป็นอกุปะธรรม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 เกขึ้นมาก็แปรอะไรอะแปรทั้งนั้นเอียบดเคลื่อนไหวไปไหนไม่เคลื่อนไหวไปไหนความแปรแปรอยู่งั้นความทุกข์ทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะอณาตาบีบอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าไม่ใช่เรื่องใครของใครทั้งนั้นเป็นเรื่องหลักธรรมชาติของเขาเองไปถือไปยึดเขามันก็หนักตัวเองเมื่อปล่อยวางเสียได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ไปยึดไปถือแค่แสนสบายเท่านั้นอนี่คือการปฏิบัติธรรม เราจะหาความสุขจากสิ่งใดในโลกนี้พากันพิจารณาให้ดีต่างคนต่างเสาะต่างคนต่างสแสวงมาตั้งแม้แต่สัตว์เขาก็ยังต้องเสาะต้องสแสวงหาความสุขความสบายหาความอิ่มน้ำจำรานทางท้องทา ง, ทางปากการอยู่การกินการที่ ท, ที่หลับที่นอนที่อาศัยเขาก็วิ่งเต่นขวนขวายตลอดถึงมนุษย์เรายิ่งตัวสาคัญมาก ม, มีแล้วก็เหมือนไม่มี ความหิวความโหยมันพาให้ดิ้นให้รนกรดแขว่งถ้าเยอ่อทะยานอยากไม่หยุดไม่ถอยคว้านั้นควานี้ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็ไม่พอใจยังอยากได้อีกอย่ละอีกสุดท้ายก็ตายทิ้งปเปล่าๆไม่เห็นได้ความสมหวังอะไรมาติดเนื้อติดตัวติดใจบ้างเลยนั่นไปยังไงให้โลกนี้ใครมีความสุขอยาไปไปมองเผล์เผย์มองแบบกิเลสแล้วไม่ไม่เจอจะดิ้นรนไปเรื่อยๆอืม เห็นเขามั่งเขามีดีเด่นแล้วก็ดีดดิ้นกขาเขาอยากมั่งอยากมีตั้งๆั้งที่ตัวจนยิ่งกว่าหมาที่เรือนผู้มีก็จะเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายวิเลศมัไม่ได้ขึ้นกับใครมีก็เป็นเครื่องพูดเอาเฉยๆมีนั้นมีนี้จิตไปเกาะกับสิ่งนั้นจิตไปเกาะกับสมบัตินี่จิตไปเกาะกับเงินกับทองกับเขาของบริษัทบริวารว่าตัวมีนั้นมีนี่ไปแอบไปอิงเพราะตัวไม่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 ไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรอะไรจะมีเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินก็ตามนั่นคือนั่นนี่คือนี้น่ะธรรมชาติที่ที่บริสุทธิ์และวพอตัวพอตัวอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะให้มากยิ่งกว่านั้นได้และลดลงไปก็มาได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติท่านเยอะกว่าอาถาระเป็นอย่างนายม่แล้วทำนี่เลยคือทำอัศจรรย์ของโลกเหนือโลกคือทำอันนี้นอกนั้นไม่เห็นอะไรมีอัศจรรย์ดูกระมันดิ้นกระมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นปืนเป็นไฟเผาไหมตลอดเวลา แต่ผู้งโง่เขาบอบปัญญาเท่าไรก็ยิ่งลืมเนื้อลืมตัวมีทรัพย์สมบัติเงินทองก็ของยศศักดิ์สมพระสิ้นขาดบริวารมากเท่าไรยิ่งเพิ่มความลืมตัวมากลืมตัวมากยิ่งหนาแน่นเขามากหนาแน่นเขามากสร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยอำนาจวาสนาบุญญาพิชฌาณที่เสียกสรรปัญญยอขึ้นมานั่นแหละมันพาให้สร้างบาปสร้างกรรมให้สัตว์ทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวอแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมแทนที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะความมั่งมี ของตนเพราะความมียศถาบรรสักของตนขับไปสร้างแต่บาปแต่กรรมยิ่งยิ่งเลวยิ่งกว่าคนที่เขาไม่มีฐานะอย่างนั้นซะอีกนี่เพราะเขาไม่ลืมตัวเขาไม่มี อ, อะไรมาลืมตัวไม่เยอหยิ่งจองหองนี่ธรรมชาตินั้นทําให้คนเยอหยิ่งจองหองได้นะเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละเราให้รู้แล้วที่นี้จะหาที่ไหนความถูกอ้าวพีนาใช่โลกธานุนี่กว้างแสนกว้างมันเป็นแหล่งแห่งกองพกทั้งนั้น เป็นเดือนจําครอบงําสัตว์แต่ว่าโลกอยู่ในนี้มันครอบงามไว้หมดเลยนอกจากนั้นยังมีแดนพิเศษที่จะใหสัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานเช่นนรกนี่นรกก็อยู่ในแดนโลกธาตุแดนสมมุตินี้เองนอกสมมุติไปแล้วนรกไม่มีพนิพันธ์ออกสมมุติไปที่ไหนไม่มีไม่ว่านารกไม่ว่าสวรรค์ไม่มีอนิพันธ์ท่างก็ไม่ยุติอันนี้อยู่ในโลกอันนี้ทั้งเท่านั้นแหละจิตตามสัตว์ทั้งหลายให้ ยินรนกรวนกวายเกิดพบใดก็ตามไม่นอกเหนือไปจากใจภพนี้ต้องเกิดในภพนั่นภูมินี้ลงนรกก็อยูใ่ในใจภพนี้เองจะไปที่ไหนนี่ไหนความสุขมีอยู่ที่ไหนพิจารณาสิมีนัยละเอียดละอานักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณานักปฏิบัติไม่ไข ค, ควรวนไม่มีใครไข ค, ควรวนแล้วความละเอียดละออยู่กับผู้ปฏิบัติทำเพราะทำเป็นสิ่งที่ละเอียดละอสูงมากจึงเรียกว่าโลกุตรธรรม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 ทั้งนั้นหนี้ทําเท่านั้นที่จะยังผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจถ้าหากว่ายังไม่ได้สิ้นจากภพจากชาติอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แม้จะเกิดในใจภพนี้ก็าตามความสุขของคนมีบุญต่างกันความเป็นอยู่ความ เกิดสถานที่ต่างๆเครื่องเสวยของผู้มีบุญย่อมต่างกันกับคนผู้มีบาปอยู่มากมายและยิ่งสร้างบุญสร้างสมากเท่าไรก็ยิ่งละเอียดรอสุดท้ายก็บุญนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนให้หลุดพ้นจากทุกตัดปัญหาแห่งความเกิดตายอันเป็นกงขังนี้เสียได้ตายภพนี่แหละตาจักรวาลนี้ตาโลกธาตนี้แหละคือเือนจําสาหรับขังสัตว์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 สัตว์จากบุคคลจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่เต็มโลกธาตุนี้เรามันเป็นยังไงนั่นทั้งเพียงเท่านี้เราก็คิดได้ถ้าจะคิดแต่มันไม่คิดนั่นสิมันยองไม่กิเลสเป่าเอาเป่าเอาล้มระนาวละนาวละนาๆๆๆๆไปหมดยิ่งพูอะสำคัญว่าบาปไม่มีบุญไม่มีพวกนี้พวกสนุกสร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้นเนี่ยแล้วก่กอปวยเอาจนแต่กองฟืนกองไฟเผาไหม้ตนเองเวลาตายไปแล้วมันไม่สูญนั่นสิ ก็ไปจนมีในนรกนั่นสายเกินไปแล้วสายเกินแก้แล้วเป็นยังไงพอพ้นจากนรกเมื่ อ, อไรจะพ้ น, นกี่กับกี่กั น, นกว่าจะพ้นขึ้นมาได้ลืมไปอีกแล้วดึงไปอีกแล้วยิ่เดียมันบีบบังคับได้ทุกแง่ทุกมุมตามันไม่ทันถ้าไม่มีทําให้ตามถ้ามีธรรมโมปฏิโพสว่างจ้าขึ้นภายใน จ, จิตใจเอาปืนยิเดียมจะปิ ด, ป, ดปิดเถอะว่างั่นเลยยิเดียมตัวไหนมันก็าหาญจะมาปิดขาดสะ บ, บัน้นลงจากหัวใจหมดแล้วทําไมจะไม่สนุกถ้าว่าจะสนุกมองยิเดนะียม่ะ อมองโลกธาตุนี่ใครจะมีความเฉลียวฉลาดเหลมคมหรือสว่างจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระรหันธ์ท่านผู้ดีขึ้นพิเด็ศแล้วนี่แดนแห่งความสว่างก็จ่างแจ้งอยู่ตรงนี้แต่เววันเรียนไม่ถึงนั่นสิเรียนก็ได้แต่ความจดความจํามาหรเลียนก็เป็นวิชาของกิเลสเสียเอามาก็มาทะนงตัวเองเสียนี่เอามาทําราวตัวเองอีกแบบนึง่งเรียนมากเรียนน้อยเรียนอยู่ในเดือนจําไปว่าไง วิชาในเรียนจําความรู้ในในในเรือนจําแล้วจะเอามาแก้กิเลสได้ยังไงก็เป็นความรู้ของกิเลสผลิตใหยนี่นั่นเมื่อมันผลิตให้แล้วเราก็เอามาใช้เราก็มาทะนงค์ตัวก็เป็นกิเลสอีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเรื่อยไปไม่ใช่วิชาวิมุตติพจน์โลกุตตรธรรมนั่นคือวิชาดูหัว ตัดหัวปอดของกิเทรีย์ให้มันเห็นกระจ่างแจ้งไปสมุดตลอดถึงสัตว์โลกที่เกิด อ, อยู่ในภพใดภูมิใดสเสวยกันทั่วโลกดินแดนไม่มีเวลาว่างทั้งน้ําทั้งบกทั้งพื้นมนุษย์และนอกจากภูมิของมนุษย์ไปเต็มไปด้วยสัตว์ที่สวยกรรมต่างๆนานามีหาช่องบ้างได้ที่ไหนแล้วสัตว์มันหมุนที่ตรงไหนพิจารณาสิเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วแลกจุลิเทรมันไม่ให้เห็นนี่ว่างไงคนจุได้ทําบาปทํากรรมจิตใจมันหมุนออกไป เพื่อหาเกลเลถหาเกลเลถไม่มีวันอิ่มพอไม่มีเขตมีหลับนับวันจะมืดจะตื่นนับวันจะเดือดร้อนบุ้นวายไปโดยลดําดับลำดาบเมื่อห่างจากธรำแล้วเป็นอย่างนั้นตัวเองขอให้ทุกทุกท่านโดยที่นี้พิจารณาให้หายสงสัยในไใจโลกธาตุนี้ไม่มีที่โปร่งที่วางนอกจากโปรงที่เอถจะให้หมดภายในจิตใจ น, นี่แล้วนั่นแหละเป็นผู้พ้น แ, แล้วโรกุตตริะกิจโรคโลกุตตระธรรมพ้นทุกสิ่งทุกอย่างภายใน จ, ใจิตใจ หมดปัญหาที่นี่อนันตการนิพานเที่ยงคืออะไรรู้ใจที่บริสุทธิ์ก็เข้ากันได้กับนิพานเที่ยงอืมอนันตการไม่มีเวลาเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติอะไรไม่มีทางนั้นคืออะไรนั่นคือจิตที่บริสุทธินิมุต ห, หลุดพ้นแล้วเท่านั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเราจะหาที่ไหนอีกความเลือดเลือดอน หรือขอนสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งพ้นจากทุกเรายังไม่เห็นความวิเศษของธรรมอยู่แล้วเราจะเห็นวิเศษเห็นอะไรเป็นวิเศษกิเลสมีถึงแต่ดุงรากลงมาสู่พบสู่ชาติสู่ความเกิดแก่เก็บตายตกนรกหมกไหมมีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นผู้พาให้เป็นไปทำทำไมในพาเป็นไปอย่างนั้นแล้วเรายังเห็นกิเลสว่าเป็นของดีของดียังเพลิดยังเพลินกับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอยิ่งเป็นนักพระนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นยังไงเลวไหมมนุษย์พระเรานี่ ปีนายดีตั้งปัญหาถามของก็ไปสิเราจะมาอยู่เฉยๆได้เหรือกินข้าวก็าตู้วันตุกวันเขาหาแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้มาให้ขบให้ฉันที่อยู่ที่อาศัยมีแต่ประชาชนญาติโยมผู้ศรัทธาทางด้านถวายก็มากินแล้วมานอนใจเฉยได้ยังไงยัยนาซี่ไม่รู้สุกเนื้อสุกตัวมันก็เท่ากับหมูเลยสิกินอิ่มแล้วนอนกินก่อนแล้วนินเกิดประโยชน์อะไรแล้วเวลานี้เขาก็กําลังยกยอเน้า สมเชยนะว่าวัดป่าบรรดากว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้ามันเรื่องอะไรพี่นาที่ดีชอบหรือไม่ชอบเราพี่นาดูตัวของเราวันหนึ่งจิตของเราคิดไปกี่ครั้งกี่โหนไปสอดหัวสอดคอกิเลสฟันเอายำเอายำเอานั่นนะนั่นมันไม่เสียดเลยหรือนั่นปฏิบัติดีเยอะหรือปฏิบัติดีทำไมให้กิเลสมันฟัดมันฟันอยู่ตลอดเวลาทางรูปก็ฟันทางเสียงทางกลิ่นทางรวดเครื่องทางปัดอดีตอนาคตฟันไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสพาออกพา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 แดนพ้นทุกข์มาสั น, นานยิ่งกว่าผู้ที่ข้าสมาตัดจรูแล้วเป็นอะไไปวะนี่ก็ไม่เห็นลายไหนว่ากิเลสมันเอาคนให้พ้นจากทุกข์นี่แต่จะให้จมลงในทุกข์จมลงทุกข์ใครหลงตามเพลงของมันคนนั้นจมคนนั้นจมสดสดร้อนๆนั่นแหละยังขอให้ทุกท่านนําให้ถึงพิจารณาให้ถึงใจนะผมอุตส่าห์พยายามมแนะนํา ส, สอนหมู่เพื่อน <c oughs> ถูกยากลําบากกันไหนก็ทนเอาทนเอ า, เ, อาเวลานี้มันพูดเต็มหัวใจก็กลัว่ามันไม่ได้เอาอะไรแล้วในลานี้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 เพราะไม่มีแดนใดที่จะพ้นจากทุกข์พอให้ถอนความสงสารนี้ออกมาได้พระพุทธเจ้าว่ามหาการุณิโกนาโถหี่ตายเศ้าไปนะทรงมีพระแม่ตามหากรุณาที่คนงี่ใหญ่และทําประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกหาประมาณได้ที่ไหนก็เพาราะสัตว์โลกเลยเสวยทุกข์ทรมานมาัมากต่อมากอืมกว้างแสนกว้างไม่มีประมาณนั่นเองเอาสมมุติครับรเลยโลกสมมุตินี้เป็นประมาณของสัตว์โลกองค์เจเตทรงแนะนำส่งสอนจนกระทั่ง ขนา จ, จะปรินิพานยังประกาศทำสอนพิสูุทั้งหลายข้ายังมีข้อความใจสัยอะไรให้พูดมาเวลาจะหมดแล้วนั่นพอจากนั้นแล้วก็ดูการพิสูจน์ทั้งหลายขึ้นเลยพิจารณาสังขารธรรมที่มีเจริญเกิดขึ้นแล้วหรือเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเท่านั้นด้วยความไม่ประมาทเถิดนะ่ะสังขานอะไรเราพุดที่เจ้าทรงสั่งสอนสาวกในเวลานั้นประชาชนมีน้อยมากอยากจะวงศษัตว์เท่านั้นแหะมาอยู่เกี่ยวข้องนันไม่มากเลย แต่พระสงฆ์สาวกนั่นแน่ใจว่ามากที่สุดแล้วชงตั้งสอนว่าอุวาสอันนี้ตั้งสอนพระสงฆ์สาวกแล้วจิงหันนาดาอินพิกเวอามตะโยอัตยามีโอพิขเวนี่วายธรรมาสร้างคาราปรมาเดระซั่มปาเดถานี่สอนพระสงฆ์น่ะพิคเวบิิขเวไม่ให้ประมาทเปพิจานาคลองเกิดความดับของสังขารด้วยความไม่ประมาทนั่นสังขารสังขารอะไรสอนสอนพระเรื่องสังขารทั่ ว, วไปก็ ต่างคนต่างทราบต่างคนต่างพิจารณาอยู่แล้วสังขารมาล้สุดท้ายที่เข้าหัวเลี้ยวหัวต่อเข้าได้เขาเข็มคือสังขารประเภทใดสังขารที่เกิดา่านจิตตัวสมุทยัยอันละเอียดละเอียดนี่แหละพิจารณาตรงนี้ให้มันทราบชัดยังก็ไปสู่จิตพังทลายลงไปผ่านจิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเอาตรงนั้นเลยมันรู้แจง้งเห็นชัดขึ้นนั่นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ไปนิพพานทรงทําหน้าที่การไปนิพพานด้วยความมุ่อาจก้าหารอาชาายไม่มีใครเกินศัสดาของโลกแล้ว ไมนมีการมั่นไว้วันอะไรประษาธาตุภาษาขันถัดวันน้าอะไรอืไว้ลวดลายอะไรวาระสุดท้ายให้สมความเป็นศรรสาสตราองค์เอกแล้วก็เข้าปฐมฌานุูปฌานจนกระทั่งสัญญาเวทายตานิโรธแล้วย้อนกลับลงมานะ่จังนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานไม่มีสมมุติเลยปฐมฌานก็เป็นสมมุติเรูปฌานก็เป็นสมมติอรูปฌานก็เป็นสมมุติทา น, ก น, มมานอกงกลางนั้นนิพพานแล้วนั่น พระอนุรัติว่าที่นี่นิพพานแล้วนิพพานแล้วของพระพุทธเจ้าหมดหวังเหลือชัวร์คาลธรรมจัดไปเพื่ออะไรเพื่อนิพพานนั่นแหละเพื่อนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปนั่นแหละฮะทรงเสวยนั่นแหละทวารเสวยจะว่าไงเสวยมุติสุขโลกนี้สมมติ ก, ก็ต้องมาพูดว่าเสวยมุติสุขพูดอะได้เจอเข้าไปมันก็รู้เองอืการแสดงธรรมก็ไม่พอสงควร ปปเนี่ยมวัหวงอาน่มแคบเขาแคบเขาอันตรีอันมันจิารมากถ้าพูอุบายงาางฝก็นบกุดบางยวดมาไปมาขึ้วดกจะย่าดีอ่ะมันนิ่งมากขึ้นเือรือวดยวนี่ก็ย่าดีมากขึ้นมากขึ้นเออวันนี้ไปกว้างอนะวันนี้นะันนี้สือกว้างกวางย ไปเพื <Lil ith il cafe> ่อแย่งโลกธาตเลยวันนี <underwater> ้ไปจับพ่อพ่อพ่อว่างขวางเนาะอาการของผู้สูงอาผมอาการจริงสามารถรู้เห็นได้หมดธรรมะเกิดจากความรู้ความเห็นมาเป็นคำสอนโลกโลกไหนที่ควรจะคาประเ่ทใจก็นาคาประเภทนั้นมาสอนมาสอนมาสอน ว่าร้รับก็สอนแบบรู้รับใครจะไปความรู้กับปร่อนฟ้าร่อนแผ่นดินเหมือพุเจ้าะความรู้ย้อนสมมติว่าไงร้อ น, นผ้าร่อนแผ่นดินอานนี้หมดเ ร, เรี่องวารกำนัลกรรมยาได้มากเท่านั้นแหละแก่กระจายไปเท่นั้นไม่ได้ เรียนมาข้าั้วเรียนาจกมชาติรู้คงเหไปหมดรูคงไหนเห็นตรงไหนมาเจาย้ำมาพูดมาได้วะนึกยากเกินกว่าที่ํามาสอนโลกยิงสอนเฉาพที่ควรแก่โลกเรายากโรกมันรุ่เรือง่นอยากนี้่นได้นั่นก็เพียงเพียงเปิดไห้วอ้ จมูเชื่อมขนไปสองตัวเชียวยาเห็นป่วยไปทางนั้นถึงเชียวยามีกี่ปรเพศ น, น, นั่นไม่ว่ากว้างความขนาดไหนผู้ผยไอ้โอ้นป่าประมาณกันไหมใครไม่เคยเห็นใครไม่เคยรู้ความรู้แบบผูพกัสเจ้าใครไม่เคยมีใจแบบผู้กัเจ้าใครไม่เคยคลองใครไม่เคยเปลนนั่นโรคไม่เคยมี ถามเรียงรู้กับชาบไม่เคยมีความรู้ประเภทที่นั่งเกาไม่มีคุณเจ้าทรงไว้หมดนะาการของโลกคือแม่งยำแม่งยำของเอาขิงก็ยุเห็นมาสอนไม่ใช่แบบรื่นงดาวเกาหมาัดพอจะผิด่อสะพลาดไป มันหดลงเยอะเลยนะผมไม่หายไปเลยพอเหมาผมคงอยู่ก็เยออย่างผมอยู่นี่พอถึงวันก็ว่ามันไม่เห็นผิดวังความสงการสงการอยู่เครื่องมือมันไม่ออวย เวลาเขาพักเข้าพักจิตนี่นี่ก็อาิจำในหนเหมือนกันอนะราพูดจำกำจำแบบธรรมชาติของจิตเวลาเราเข้าพักจิตดับอมันหมดเลยลมหายใจหายเงับไปเลยฟังดิหมูวันนี่เป็นนับพูดให้เต็มปากเลยอย่าว่าหลังเด็สมัยภาวนาอยู่นั่นเลยแม้ทุกทุกวันนี้ก็ไม่มีลมหายใจ มันขนาดนั้นอ่อนลงไปเบาลงไปเบาลงไ ป, งไปคว่าไม่มีคือมันไม่รับทราบกันเลยนี่หวังเลยค่อยอ่อนลงอ่อนลงเบาลงเงียบหาเงียบไปเลยเมันหายเงียบอันนี้นนยังเหลือแต่นั้นเราพูดได้งไงพูดไม่ถูกอืเหมือนก็เรียก ว, ว่าครอบโลกชาสิทนี่นั่นวาชาติ พูดไม่ถูกเริ่มจะมาพูดเนี่ยพูดจะจะเรองว่าครอบโลกธาตุสัน้นไม่ไหวเราหายใจตัวออนๆก็ไม่มีเลยมันก็อาจไม่อาจจะรรย์ จ, จะอาจจรรย์อะไรเพียงในท่านในขันมันมีอยู่นี่งกับเป็นอย่งั้นแต่ว่างไงให้พูดว่ายังไงอีกมันเป็นยังไงก็ว่างั้นสิว่าพวกกันเองฟังคนอื่นก็ไม่ว่าแล้ว ถ้าเราไม่เป็นบ้าเขาก็จะว่าเราเป็นบ้าเขาก็จะเป็นบ้าอีกเ น, นียคุณหูหนวกตาบอดฟังติด้าอะไรอะไรจะอจจะจัศจรรย์เท่ากิจขอให้มันหลุดพ้นไปดูซิหนะว่างั้นเลยนะโหสโดตงงจริงนะผมพูดจริงนะมองไปไหนไปไหนมั้นคู่วันนี้นะ ยิ่อ่อนกำลังอะไรส่งข้อไม่ได้เลยมองไปไหนนี่แหมมันอดสลดสงเวียนไม่ได้แต่ก็อยู่ภายไหนมันไม่รู้มีที่ข้ไม่ใช่เป็นความหิวโหยนี่วะพอที่จะจยากพูดอย่างนั้นอยากพูดอย่างนี้ตามความรู้ความเห็นความเป็นน้องกินวะรู้รู้ไปเห็นไปอย่างนี้ความหิวมันก็ไม่ได้มาบีบบังคับเราให้อยากพูดอยากจ่าอะไรนี่ฮไม่มีนี่เมื่อควรจัด ก, การเวลา สถานที่มื่อไรมันก็ออกเองออกเองตามธรรมชาติแทำไมกวรนุ่นเข้าลิ้นชักหาเนี่ยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีเวลาว่างความพิจารณามันเกี่ยวกับโลกธาตุมันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาพักธาตุพักขันพักสนิทมันมัน มันตั้งเด็ดของมันจริ ง, รงนี่ยหมดเลยออกมาใจนี่ก็ค่อยเบ า, เาลงเาลงบาลงเบาลงขันความปรุงความแต่งอะไรเหล่านี้นะนี่เลยล่ะนะเป็นหมดเลยนะเรีว่าขันไม่ทํางานนี่เราเอาสมมุติอะไรมาพูดเหรที่นี้นั่นตรงนั่นที่ตรง ว่าแปลกด้วอาจารย์ก็ตรงนั้นนะนี่เลยเรื่องนเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้คือสมมุดสิ่งนี้คือสมมุติเหนึ่งก็เวลาขันมันทํางานมันยิ่งแยบยิ่งแยบของมันหนึ่นี่พอมันระ ง, งับหมดไม่มีอะไรทํางานเลยมีแต่ธรรมชาตินั้นคืออะไระนั่นนี่ซิสําคัญนะลมใจเรา เริ่มแรกผมก็ค่อยแผ่วเบาลงเบาลงเบาลงเบานะหลงัล ง, ล ง, งขานก็เริ่มระงับแล้วระงั บ, งบความปรุงเนี่ยสำคัญสัญญาความหมายอะไรนี่มันจะไปพร้อมๆกันอนะ่ะ <ok? S 2> ค่อยค่อยลงไปเบา <c oughs> ลมหายใจเบาเข้าไปเบาเข้าไ ป, ไ ป, ไปจนจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏสุดท้ายหายเงียบ มันก็คงมีของมันอยู่นั่นแหละมันก็ทํางานของมันอยู่นั่นแต่มันไม่มาสัมผันสกับจิตคือมันเลยการสัมผัสกันแล้วว่าลมหาใจหมดในความรู้สึกจึงจะบอกงั่นเลยแต่มันหมดจริงๆมันก็คิดว่ามันไม่หมดแล้วจนผมจะละเอียดที่สุดของมันละเอียดมันไม่ปรากฏในความรู้สึกเลยอะไรแล้วก็ดับไปพร้อมกันหมด นี่เป็นยังไงอันเมื่อขันไม่เข้าเกี่ยวข้องแล้วเป็นพักพักขันบางอันธรรมดาเนี่พูดไม่ถูก <c oughs> อธิการกนาณนะพูดพูดไม่ถูกเลยนะต้อจิตต้องทำนี่ ว่านภูทิศเจ้าสันตุนทอประทศไทยที่แต่รูปใหม่ๆเกิดความเฉลยอดสังเวชน้ําประเนิดไหลน้ําประเนิดก็เรื่องขันอขันกับเพื่อมเนี่ยก็เรื่องของขันมันก็มีของมันจะไม่น้ําประเนิดล่วงได้ไงก็เรื่องของขันลงสมมุติใช่ไหมล่ะมีมุติเป็นมีมุดนั่นจะมาเกี่ยวข้องกันได้เหรือขันมันก็เป็นสมมุติเมื่ออะไรแม้แต่ ถูกควันไปมันก็ยังออกของมันนั่นเดี๋ยวก็เทียมไปป้ายนี่ิดหน่อยทีเดี๋ยวน้ำตาของพังออกมาเรื่องของขันมันก็เป็นขันล้วนๆของมันอยู่นั่นมีอะไรมันจะแสดงมันได้มันก็แสดงเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยมันแ่ะขันนะเดี๋ยวเจิบริสุทธิ์มาเป็นขันได้หรอขันเป็นขันจิตบริสุทธิ์เป็นจิตบริสุทธิ์อย่างที่ว่า พระพาราหันท่านไม่ฝันนงีย้ยดผมเห็นในบุคุขานี่ผมได้อ่านผมไม่ลืมนะพระพารหันนอนหลับแล้วไม่ฝันนะโอ้คำฝันนป็เรื่องของขันนี่ใช่ไหมล่ะั่ันทำไมจะฝันไม่ได้พระพาราหันขันของท่านก็นเหมือนขันของเราเนี่ยเราเป็นได้ทำไมท่านเป็นไม่ได้เห็นแต่เพียงว่าจะเข้ากระเทือนจิต หรือไม่ขนาดนั้นนั้นนั้นต่างกันมันจะไปบีบบังคับเอาหมดจึงก็ตั้งขันไม่ให้ทํางานไม่ให้ฝันไม่อะไรไปเลยได้เหรอขั่นเป็นขันความหิวความกระหายมันมีเหมือนกันหรืไม่เข้าถึงใจก็รู้กันอยู่อย่างนั้นดีก่าไหมเมื่อใจรับผิดชอบอยู่มันแสดงขึ้นมาอะไรมันก็รู้ จากความรับผิดชอบของใจไม่ใช่คนตายหรอือวะนอกจากมันเข้ามาหมดอย่างที่ว่าอย่างที่เคยพูดให้ฟังหดเข้ามาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยความรับผิดชอบที่สร้างตัวสารพาันร่างกายในปราาะสาทส่วนต่างๆมันหดเพิบเข้ามาเลยไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดหูกโเลยหนวกไปแล้วนั่นพอจิตเข้ามาความรับผิดชอบเข้ามาเท่านั้น น, น, นมันก็เป็นธรรมชาติต้องฝืนไปในขณะนั้นพอความรับผิดชอบนี้ทราบออกไปมันก็รับทราบอีกนไงตาก็เริ่มฟ้าเริ่มฟ้าขึ้นมาหูก็เริ่มได้ยิน่ะสุท้าก็ก็เห็นก็เลยยินนะ่ะเฮ้ยเฮารู้ว่าอยู่เนอะอาการของมันก็รู้ก็อยู่มันจะว่างพูดมันไม่เป็นแล้วก็พูดอจะไงมันเป็นอย่างว่านักที่เดินมันจะถูถ่ายไปอไม่เชื่อพี่ว่าไงโอหมันเร็วจริงนะที่เด่นนี่เร็วมากนะมองไม่ทันนะ่ะ ถึงเม่หร่มันเหนือมันแล้วมันจะไปไหนวะไม่ขอใเหนือมันมันจะไปไหนวะมันยกมาทั้งขดมันแต่มันมาที่มันจะเห็นมันทั้งขดดูมันทั้งขดวางกันเลยวางไงที่บ้ามันไม่มีอะไรจะพูดถูกอเพราะมันเป็นสมมติทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่สมมุติน ติจะชมอะไรมันก็เลยไปหมดนั่มนมาอยู่ในความติความชมนี่สิติก็เป็นสมมุติชมก็เป็นสมมุติไม่ไม่ไม่ถูกธรรมชาตินั่นมันไม่เป็นน้องก็อย่างว่านะถูกไม่ถูกน้งก็เดาเดาขาดเดาหมายไป น, นั่นถ้ามันเป็นก็อย่างเดียวแล้วนี่คาดหาอะไรเนี่ยอะไรจะพอดีพอดีอดอยู่ธรรมชาตินั้น เพื่อนก็ยิงอ่อนลงอ่อนลงภาคปฏิบัตินี่พี่ม <c oughs> ้มันต้องเด็ดนะข้าเกิดนี่ไม่เด็ดไม่ได้นะเด็ดจริงๆจนกระทั่งกลัวเจ้าของนะที่นาย้อดหลังเนี่ผมกลัวนะกลัวเจ้าของที่ทํามาแล้วนะคือทุกวันนี้มันไม่มีอะไรจ ะ, จะมีกําลังอย่างนั้นแต่เื่นความมุ่งมั่นก็ไม่มี กำลังวังชามันก็ไม่มีหรือเปล่าอันนั้นมันมันมีหมดพร้อมความมุ่ง ม, มั่นกําลังจิตมากเท่าไหร่มันยิ่งผึ่งผึ่งบุญเจ้าของจะตายมันก็ไม่สนใจ น, ะนั่นอันนี้มันกาลังมาจากไหนไม่มีกําลังจิตก็ไม่มี จะไปทำอย่างนั้นมก็ไม่มีก็บอกว่ า, านี่มีเวลาไม่มีก็บอกว่ า, าความมุ่งมั่นก็ไม่มีแล้วความเพียครคองมสาพยาวาก็จะเอามาจากไหนไมันหมดไปตา ม, ตามกันยังเหลือแต่ร่างหยิ่เฉยอ่างไทุก ว, วันมีแต่ร่างเฉยๆ่ า, า่เลสนโอ้โหไม่ใช่ของเล่น แล้วละเอียดแล้วอ่อนนตอนสติปัญญาอัตโนมัติตามกันหนึ่งเจึงได้รู้อยู่เหลืศละเอียดมากขนาดขนาดนั้นธรรมดานี่ยถ้าถึงบรรดาถึงขั้นนี้ที่โด่วนมันอยู่ขั้นนั้นอมเหนือก็ไม่ทันมันก็ยังไม่รู้ไม่รู้พอมันถึงมันทันกันแล้วปิดไม่อยู่อยู่เรื่อยเรื่อมันสมรอยสมลอยนั่นเร็วมาก มดกำลังจริงๆผมกับกิเลสเนี่ยสู้กิเลนนี่สู้ขนาดก็เอาตายเขาว่าเลยจ้าไม่มีแบ่งสู้แบ่งรับไว้เลยนะเอากิเลสถึงขนาดนั้นนะถึงเวละที่จะมอบกันเลยก็มอบเลยกำลังใจมันจะพาให้มอบนะพุ่มพุ่มพุ่มเลย วิญญาณย้อนหลังไม่ลืมเหมมันเป็นศัจธรรมมันมันเป็นความจํามันเป็นความจริงมันไม่ลืมที่มันฝังลึกความเพียงขนาดไหนขนานไหนมันฝังลึกมากเดีวยวว่าทําอย่างเอาไปเราตายเขาว่าทําด้วยความจงใจจริงๆริมันจะไปลืมได้งไงเพราะน่นพระแม่อุจารย์เตือนเราท่านถึงเตือนเพียงนั่นล่ะท่านวานิสัยนี่มันผ่าโผนมาก ที่เรียนไม่อยู่กับร่างกายนะนั like so Say, blows, many, days, ่นม ah, ันอยู่กับใจนะฟังดิที่เรียนไม่อยู่กับร่างกายนะที่เรียอยู่กับใจนะท่านว่าคือเราเวลาเราหักหัมากๆนั่นแล้นคืนหนึ่งสองคนขึ้นมหาท่านแล้วขึ้นมหาท่านแล้วขึ้นไปทีไรมีแต่นั่งตลอดบุ่งมาแล้วนั่งตลอดลุ่มมาแล้วที่ยิบเข้าไปอันก็เตือนนะสิท่านรู้นิสัยผม นิสัยผ่าดผลสอนท่านจึงสอนแบบนั้นน่ะไม่สอนธรรมดานะโอ้ดึงฉลาดเรามากจริงนะเลยไม่อยู่กับจิต น, นะยิ่งอยู่กับร่างกายนะดังนั้นท่านก็ยกสาธีฝึมกม้ามาให้เราฟังอันี้นิ่มก็มีแล้วในตำราสาธีฝึมกม้าเนี่ยธรมาตัวนี้มันผ่าดผลโดยธรรมยานมากพระมามันอย่างหนัก ไม่ควรให้กินหญ้าไม่ใกินไม่ควรได้กินน้ําให้มันกินเอาจนมันอยู่ในเนื้อมือแล้วทีนี้ค่อยผ่อนหนักผ่อนเบากั น, นไปธรรมาตัวพุทธศาได้ง่ายมันก็ไม่จำต้องเดือดร้อนมาถึงขนาดนั้นแน่ท่านก็พูดมาเดียงลำดับลำดาเพียงเท่านี้ท่านไม่พูดมากนะเพรานเราเข้าใจทันทีเบื้งต้น ท, ท่านเสริมเลยที่เบื้องต้น พอเราพูดจลงอ่ามันต้องอย่างนั้นสิอ่าเอาฝ้าลงไปที่นี่นนร่างกายอัตภาพร่างกายนี่มันตายหนุเดียวมันเลยตายถึงห้าหนุนว่าองนี่เอาฟ้าลงไปที่นี่ได้ที่แล้วนั่งคือไปหาท่านคืนแรกนะคือร่างตลอดรุ่งคืนแร ก, นะแรกมันได้ของอัจจันท์เราไปหาท่านท่านก็ขึ้นอย่างนั้นเลย่ยขึ้นเป็นคืนแรกแล้วอาลงที่นี่เอาลงท่นวะได้ที่แล้วร่าง อัตภาพร่างกายไม่ได้แตกถึงห้าหุแน้วมันแตกหุนเดียวเท่านั้นแ่ละทานหวานโอ้มันไม่ลืมนะทั้งนี้ก็ทั้งจะกัดจะเห่าท่านเหมือนเป็นเจ้าของหมาว่ า, ง น, า, นะานวงนั้นเถอะนะวท่านยุ่งงี้ก็อ๋อกำลังใจใหญ่โตนะขนาบด้วยเจ๊แต่มันคืนไหนก็คืนนั่นนะไม่มีพลาดเลยนะเพราะตายเขาว่าเนี่ยเอาอะไรมาพาดิไปเพ่นเพ่นพานไม่ได้นะ ถ้าลงในขนาดนั้นแล้วออกไม่ได้เลยกีนนี่ต้องฟัดอยู่ข้างใ น, นออกเป็นเพื่อนพันธ์มาได้เด็ดขาดนู่นฟังสิมันบงังคับขนาดไห น, นมันถึงว่างคำว่มมาเด็ดขาดมันเด็ดขนาดนั้นนี่ใ ส, ส่ถึงวันนี้ได้ลงฉลากชีวิตต่อกันแล้วอันนี้กินนี้จะไปเพื่อนพันธ์นไหนไม่ได้เป็นขาดนู่นอ่อันที่มนหมุนอยู่ในภายในนี่เป็นยังไงทุกขนาดไหนมันก็ตึองอยู่ในนี้ออกไปไม่ได้มันก็ไม่พ้นที่ ลูกของอาศจรรย์ผึงลงเต็มที่โอ้อาศจรรย์ได้ทุกคืนเป็นตเพียงว่าชา้าหรือเร็วต่างกั น, กนถ้าคืนไหนอากาศมันร้อนนีนะคืนนั้นพิจนายากมากนะร่างกายบอบช้ำมากเดี่ยวนี่แหละที่มันมันตายหมดตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเนี่ยตะโพกลงไปเนี่ยมันตายหมดก็คืนแค่นั้นแหละ ก็จะลงได้มันบางทีต้องหกทุ่มลงกันไม่ได้นะนี่นะดูสิฟาดตัวหัวค่ำถึงหกทุ่มยังลงกันไม่ได้มันจับมันเหมือนว่ามันผิดมันพลาดของมันมันไม่ไปไหนเลยกิจพอถูกบังคับขนาดนั้นแล้วมันหักไม่ชัดไม่แจ้งอยู่ในภายในตัวของมันแห่ะความทุกข์ก็ยิ่งโหมตัวก็มาโหมตัวออกมาโหมมากแค่ไหมันยิ่งฟาดลงเลยสติปัญญานี้เป็นธรรมจักร ถอยไม่ได้ เ, เวลามันลงแล้วมันก็หมดเนี้ยเรื่องเหล่านี้ไม่มีเหลือแล้วทุกข์เลยแต่ก่าจนมันจะลงได้ที่มันบอกช้ำมาซะจนจะตายทั้งเป็นแล้วเนี่ยนี่วันเช่นนั้นอนะ่ะวันวันบอบช้ำ ม, มากนะวันไหนมันพิจารณาเขาไปมันจับติดพับติดพับติดพับเหมือนวันนั้นลงลงได้เร็วคืนหนึ่งลงสองสามหน สว่างถอนถอนขึ้นมาเอาอีกพิจารณาอีกถอนขึ้นมาไม่นานนะทุกจะเกิดเกิดจิงคิดถอน ข, นขึ้นมาใหม่ไม่มีแล้วทุกหายเงียบหมดเลยพอถอนขึ้นมาไม่นานแนละ้ทุกจะเริ่มเกิดเกิดอีเริ่มเกิดอีกพิจารณากันอีกแต่สําคัญที่อุบายพิจารณาเรื่องทุกอย่างนื้เราจะไปเอาของเก่ามาใช้ไม่ได้นะ มันต้องเป็นของใหม่แม้จะซ้ำของเก่าก็ตามต้องให้เป็นอุบายใหม่ที่สุดๆร้อนๆหวงงังกันถึงขึ้นมาแก้กนันจะเอาอุบายเก่าที่เคยได้มาแล้วมาใช้ใช้ไม่ได้เลยมันเป็นปริยัตมันเป็นอะไรสัญญาไปแล้วมันไม่เป็นความจริงมีอันนี้สำคัญมากนะพิจารณาให้เห็นอริยสัจแจ้งชัดให้ลงถึงขีดทั้งแดนของกิดนี้มัน เราจะเอาปัญญาที่เคยใช้แล้วไปมาใช่อีกไม่ได้เลยต้องปัญญาขึ้นใหม่สดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนอนาจจะซ้าของเก่าก็อ่ะก็ก็เป็นเป็นความสดสดร้อนเป็นพรอะใหม่แกได้มีจริ่างที่ว่ามันไม่พลาดเลยถ้าลุงใดนั่งตลอดลุงไม่มีคืนไหนพลาดเลยต้องเห็นแดนอัศจรรย์ทุกคืนทุกคืน ยังได้กล้าหานพูดที่เอาเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวางนะเวทนานี่รู้กันหมดแล้วมันจะเวทนาหน้าไหนามาหลอกเรานะเรื่องทุบๆนี่นะ่ะว่างนะมันท่าทายใ น, นาดนั้นนะ่เพราะมันรู้กันจริงๆนี่นี่เหตุนี้เองที่ว่าไปเป็นอยู่ทั้งหูปนทองโรคหัวใจมันก็เอานี่เราไปโผล่ขึ้นเอาเวทนาเหื่อนี้เราเคยพิจารณามาแล้วนั่น ทีนี้ก็เป็นเวทนาที่เวลาจะตายเหลือเนี่ยเอาเวลาไหนก็ไม่ไมหนีจากเวทนาที่มันเคยเป็นแนาา่นอนอ้าวเข้าเลยเราสงขรามมันไม่ถอยหรอกเพราะมันเคยพิจารณาแล้วนี่ถอยอยังไงวะย่อหย่อยนไม่ได้มันไม่ได้ย่อหย่อนนะจิตมันเคยสู้กันย้อนหมุนติว้วกันเลยเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมันแทงตรงไหนมันตามเข้าไปพิจนาก็ไปพิจนาเข้าไป เรื่องเป็นเรื่องตายไม่มาสนใจละสนใจแต่เรื่องความจริงให้รู้ให้เห็นไม่รู้ให้เห็นฮั่นทุกข์มากจริงๆทุกเวลาเรื่องรู้คุกคามนี่แหทุกแบบหนึ่งทุกทั้งร่างกายทั้งจิตใจเลย ท, ทุกเวลามันก้าเดินท่องวันเลยแล้วเป็นสติปัญญาตืน่นบันแล้วมันก็ทุกอยู่แบบหนึ่นไม่ถอยมันหมุนติวติวจนจะตายอยู่แล้วก็ดี ไม่พอดีเลยเราเวลวมันเป็นที่แรกนี่ผมก็ไม่ลืมนะมันเป็นขึนที่แรกนี่แม่อัศ จ, จ, จรรย์นี่คืนโลกคืนสงสารโอ้โหโอ้โหเจ๋ง น, นะอวิชานี่ที่ว่าเป็นขออัศ จ, จ, จรรย์นี่นะ มันสง่างามมันจิอิ๋ยมันอิงอะไโอ้ข น, นาด น, นี้เถอะเลยมันติดจนได้นะ่ะเวลามันผ่านไปแล้วมันกลับมาเห็นอวิชาเหมือนกขากองขี้ควายทั้งกององนีี่นั่นที่อมันต่างกันขนาดไหนฟังดิติดก็ติดอวิชานั่นนะว่าเป็นของเล่ยของวาสดุทะนุทนอมนย่นั้นรักษาแล้วจนจะเป็นจะตายนะ ไม่อะไรมาแตะด้วยเลยแต่มันมีข้อสังเกตของมันอยู่ตลอดนะมันถึงจับมันได้สิหมดเวลามันผ่านนั้นไปแมันกลับมาเห็นอวิชชานี่เป็นกองขีบไฟทั้งกลองได้นี่มันยิ่งมันต่างกันยังไงกับธรรมชาตินั้นถึงขนาดถองโอ้โหอกุทาน บางที่สําคัญที่มันเป็นขนาดแล้วดูอธรรมชาตินี่กับโลกทั่วไปนะนี่นี่ก็อีกอันหนึ่งนะโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะสอนใครได้อะไรใครก็จะหาว่าบ้าไปหมดโลกไม่มีอย่างนี้นั่นโลกไม่เป็นอย่างนี้โลกไม่รู้อย่างนี้ความเป็นอย่างนี้ความรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราไปสอนโลกใครจะยอมเชื่อ คงจะหาว่าบ้าไปลนะอลไรน่นอทำอะอะไรไปสอนลกูกนันเหมือนกับว่าสุดวิสัยของโลกที่จะอาจลออวิลามเป็นในปัจจุบันนะมันยังไม่ได้ตีกระจาไปถึงปฏิปทานะมันเป็นในปัจจุบัน น, ะนี่จะเห็นว่าอัศจรรย์เอนนสอนใครจะสอนได้เป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าอั้นตู้เลยนะ นี่ยมันจึงย้อนไปหาพระพุทธเจ้าที่สรงทําำคนขวากำความคนขวายน้อยหนึ่นี่ยมันวิ่งหากันเนงนะเหมืนมาปิดตันเลยเมื่อมันไม่แยกออกไปทางด้านปฏิบัติทาให้กว้างขวางไปนะดูเฉพาะปัจจุบันที่มันเป็นอย่นะ้ที่เป็นมือนก็ไม่จะไม่มีใครสามารถได้เลยเป็นอย่างนี้แล้วผู้นี้ที่ฟังเขาจะหาว่าบ้าไปหมดอ๋อเคยพูดอะไรได้เป็นอย่าง อยู่ไปกินไปพอถึงวันตอนั้นพอแล้วนั่นมันลงไปงั้นนะไม่ได้สู้อะไรให้ใครฟังเหมือนก็เป็นสิ่งที่สูญพิเศษถึงขนาดนั้นนะเวลาเราดูในวงปัจจุบันที่มันเป็นแบบนั้นเฮ้มันก็มีมันขึ้นมาเมื่อนั้นมันกระจายออกถ้าเป็นของสูญพิเศษที่ใครจะรู้ได้แล้วแล้วแล้วทําไมเราต้งรู้ได้ล่ะอื เราคิดว่เป็นเทวุเทวดามาจากไหนนะมวอนมนุษย์ทั่ ว, วไปนี่นะแล้วหน่อยรู้ได้รู้ได้เพราะอะไรนั่นทีน่นกระจายนะเพราะอะไรก็เพราะปฏิบัตานั่นออกหรออันนี้มันก็เมื่อมีปฏิบัติกาเครื่องดําเนินรู้ได้เพราะอะไรมันก็วิ่งถึงกั น, นทันทีแล้วดําเนินมาอย่างไงมันก็รู้หมดเนีันก็เมื่อมีปฏิบัติยู่สอนปฏิบัตาเครื่องดําเนินทําไมจะรู้ไม่ได้นั่นรู้ได้สิ มาทางเดินทางก้าเข้ามามีอยู่นั่นอีนน่นีมันจึงคลี่คลายออกอ๋อได้จริงได้นั่นนี่มันมันิ่งถึงเรื่องของพระพุทธเจ้านะโล่งทรงตรงความขวายน้อยก็คงจะเป็นปัจจุบันจากนั้นก็กระจายออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินแล้วต้งมีเกียรวิพระไทยที่จะสั่งสอนสั์โลกจากนั้นกับปุมาจาโยก้าวขึ้นที่นี่นะถ้ามาปุมารัทนาล เปนดับสองหละตรงนี้เกี่ยวกัไทยละที่จะสอนโลกแล้วมันขนาดนั่นคือว่างแล้วธรรมดาแล้วมันไม่ใช่พิเศษเลยนี่คือว่างเันลก้าวไปเดินไปเดินไปมันพอเหมาะพอดีกันนั่นแหละที่มันจะเข้าถึงขอให้เดินดำเนิเนตามที่อุบางด้านสอนเถิดนะอันเดื่ก้าวไปถึงนั้นเราไม่ไปถึงไหนละแต่ธรรมดาคิดวีต ที่เฉยนีเหมือนกับว่าไม่ใช่บีใสว่สางนันเลยที่จะไปรู้ได้เหมือนว่าปิดตันเลยพออวตาริ า, าย่เข้าไปนี่มันก็เบิดกว้างออกนี่นคิดถึงเรื่องว่าทำอยู่ที่ไหนทําอยู่ไหนขึ้นภูเขาเราก่อแล้วนั่นนี่ขึ้นไปไหนทําอยู่ที่ไหนนี่ทําอยู่ที่ไหนคือเวามาเจอเขาจากต่างๆแล้วมันอยู่ที่นี่อยู่ที่โอ้ใช่อวยแล้วก็ถูกหมดเลย ปากเขาเขาเพื่ออุบายก็เป็นปฏิบทานนะพอไปเจออันนั้นอย่างแท้จริงแล้วมันปฏิเสธหมดสิทาอยู่ที่ไหนก็ทําอยู่ไหนผมมักจะมีทําเตือนขึ้นมานะแต่มันรู้มันไม่ทันยึดออกไม่ทันเตือนอย่างอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เตือน ตอนที่ว่ามิจุดมีต่อมนั้นก็เตือนนั่นถ้าเป็นพระแม่กออุศลันไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็กกนั oh, ่นนี่นี่ที่ททจุดสกติว่างนั้นมันก็ผึ่งเขตรงนั้นเลยนะ<ม>นี่ท่านเสียไปแล้วเราก็ ง, งงเป็นบ้าอยู่คนเดียวจุดยังไงต่อมายนานีงว่าไปก็จุดทีดผ่องใสนั่นเองอือจะเป็นจุดอะไรก็จุดนั่นแหละมันเป็นจุดจุดในความสว่างจุดในความผ่องใสเป็นจุด ธรรต้องพูดนี่ถูกต้องนะ้ะผุดขึ้นมานเรื่องเราอัศจรรย์จิดโอ้โหจิตตรงนี้ไถึงอัศจารย์นันกหนานคืออัศจารย์วิชันเพราะเรื่องนี้สงบไปเดี๋ยวแล้วก็ผุดขึ้นมาโดยไม่้าดไม่กันถ้ามีจุดนี้ต่อมแห่งผู้รูิอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบ ว, ว่างันแทนที่เราจะจับตัวจุดนั้นจุดผ่องใสนั้นมา เป็นเป้าหมายการพิจารณามันกลับงงเป็นบ้าไปเอมันถึองออกไม่ได้สิอันนี้ก็เห็นความงงเจ้าของนะเวลามาแก้แก้จุดนั้นจริงๆก็จุดนั้นจริงๆอันนั้นพังไปแล้วมีจุดที่ไหนแน่ไปอย่างนั้นนี่นยนึ่งแล้วที่ตอนที่ตอนที่มันจะเป็นน้ำมันนี่ก่อนมันก็แตกอยู่<ห>มั น, ม, นมันไปของมันหมดพิจารณามันหมดแล้ว มันก็มีภาควิจารณ์วิธิไัยจิตเพราะมันมีคําว่าเศ้าหมองมันมีตามอาการของจิตที่ละเอียดมันให้รู้จนได้ทุกข์ก็มีรู้จนรู้จนได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้มันรวดเร็วมากมันทันกันมันรู้ทีมันแสดงเหมือนลักษณะเฉาเฉาขึ้นมาเศ้ามองนิดๆขึ้นมา แล้วก็ผ่องใสแล้วเ้าหมอขึ้นมาครับเขา่าหมองแล้วก็ทุบแล้วก็มีขึ้นมาของมันเด่นละเอียดเหมือนกันนั่นแหละพอๆพกอันนะั่กับสภาพมันนี่มันอันนี้เราไปพิจารณานะนี่หยิดตรงเดียวนี่ทำไมันเป็นได้หลายอย่างนับหนาะที่นี่นะเดี๋ยวว่าเส้าหมอนเดี๋ยวว่าผ่องใสฮทาไมหยุดดวงเดียวมันจึงเป็นไปได้หลายอย่างนักหนา เดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกเนี่ยนทั้ามามึงเป็นอย่างนี้นะนี่วินิฉัยรานะนั่นนี่วินินาธรรมชาติที่รู้ๆนีนะนน่มันหันเข้ามาแล้วนั่นพอพอวินิจฉัยอย่างนี้จิตงบดงไม่ปุ่มไม่แต่งอะไรแล้วก็ผุดขึ้นมาละทีนี้นั่นอย่างนั้นนะผุดขึ้นมาก็จังเลยนะถูกต้องเลยนะ คำว่าเศร้าหมองก็ดีฟังดีนี่ขึ้นนะขึ้นอย่างไม่คาดในฝันเหมือกนกันกับมีอยู่ไม่ตอมละแบบเดียวกันนะพุ่ขึ้นมาคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีว้าแล้วคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีวางกันนะคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทําทั้งสองเงินนี้เป็นอ า, าตาหนาว้ ทำทั้งสองเงือนนิ่เป็นอนัตตานะบัวเท่านั้นนะ น, นะพออันนี้สงบลงไปจิตก็อยู่งกลางจะว่าพิจารณาอะไรก็ไม่ใช่นะัะนนิ่งอยู่งกลางไปจ่ออะไรก็ไม่เชิงทํางา น, นอะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นอนยะระหว่างกลางแล้วก็ผึ่งขึ้นมามันเป็นเหมือนมะพร้าวสองหน่อออกมาจากกลามะพร้าวอัน เดียวกันนี่นอนหนึ่งเป็นเรียวกว่าเป็นสมมุติเป็นอนัตตานะอัตตากับอนัตตาเป็นคู่เหมือนอย่างนั้นเหมือนเป็นเครื่องเปรียบในเวลาเหมัอนมะพร้าสองหนอ่อออกมาจากกะลาเดียวกันแล้วมันก็เป็นความเข้าใจในในขณะนั้นทันทีเลยระหว่างอัตตากับอนัตตาอรื่ระหว่างสมมุติกับอะไร ธรรมุษมันเป็นเนี่ยต่างกันนะอ่ามันก็ผึงเอยผึงก็อันนี้เหมือนกับคว่ำลงไปเลยนะที่หน่อมะพราะ้าวนี่มันต้องคว่ำควา ม, วามาตั้งปลายมันลงเพิ่บไปแล้วกันทั้งกะลามะพราะ้าวทั้งหนออมะพราะ้าวผึงไปคว่ำกันหมดเลยลงเต็มที่พอมันลงแล้วเต็มที่แล้ว ขณะนั้นทํางานหยุดลงอนะไรนั่นองมันจโอพูดไม่ถูกนะมันเป็นขนาดของมันมันเป็นเครื่องหมายอหนึ่งที่มันความรัศจักรหรืออะไรที่หน่อาพาวความฟุ้บลงไปนั้นมันเป็นเครื่องหมายอหนึ่งันขณะที่มันหมุนเวลานพเพิ่บเยอะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรพูดไม่ ไม่เยวข้อมาัศ จ, จันเกินคาดกองควิควคอยไปทราบหายไปไนปพร้อมกันเลยของคี่คอยนะหายไปพร้อมกันโอ้โเหมือนเป็นกันแอันที่ตรงที่อาตาจันแล้วก็เกี่ยวข้อมกับอะไรอะไจะสอนใครได้มันเป็นแในวัปัจจุบันนัน ท้อใจเลยที่จะสอนใครอะไก็ไม่ทราบจะสอนยังไงนะไม่มีทางเนีน่ที่แล้วของเรไม่มีทางจะสอนตรงขนาดนี้แล้วใครจะไปรู้ได้เห็นได้ามาพิจารณาอยู่ตรงนี้ ก, ก่อนจากนั้นจึงกระจายไปหาปฏิปทาเครื่องดาเนินมาโดยโยกเจกของยกตัวเองเป็นที่ตั้งขึ้นก็เมื่อวันเป็นถูกที่สสยแล้วเหตุไดจึรู้ได้เห็นได้ เคนเราเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั่วไปมันเป็นเกลียวดาว เ, เกลียวดามาจากไหนวะทำไมรู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นได้เพราะอะไรนั่นยังเป็นว่งปฏิบทาหาปฏิบทางแต่มันจะไมเปิดโล่งออกอ๋ออย่างนี้ได้เนี่ยถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีอยู่นั่นมันจะไม่นานนะผมจะจะเป็นตั้งแต่นุ่นจะเป็ น, น, นตั้งแต่ตอนมิจูมีต่นะ เป็นเล่าถวายท่านนรือซี่ท่านก็จใส่ปุ่งเขตรงนั่นเลยเม้นเลาเราก็จะใส่ตรงนั้นเนี่ยก็มันมีเท่านั้นนี่ก่อนนั้นแล้วตัวรู้ๆตัวใส่ๆเลยตัวต่าก็ตรงนั้นเลยดิพิชณาเขาไปซี่ท่จะว่างันว่ายง่ายนี่นั่นแหละตัวเทวทัตขึ้นจีบามจานั่นแหละตัวเทวทัตตัวนั่นแหละอู้พิชาเขาไปสี่เนี่ยเอ้าจีนจะชีบหาย้ําชิหายไปสี่ห เอาเอาเอา น, น, นนั้นมันแตกกระจายไปเลยน่ว่างมันก็จ่อปึ่งบางทีมันก็ไปเลยเลยอ่ะเร็วจแล้วอะละก็เรื่องละเลิเละที่